พ่อควรทำความเข้าใจเรื่องนิพพานกับอัตตาข้อสหลักฐานโดยทั่วไปในคำพีกล่าวถึงหลักอนัตตารวมอยู่ในไตร ล, ลักษณ์ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นความแตกต่างอยู่แล้วว่า ขอบเขตของอนัตตากว้างขวางกว่าอนิจจงและทุกกล่าวคือในสองอย่างแรกสังขารคือสังฆตาธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกแต่ในข้อสุดท้ายธรรมทั้งปวงซึ่งบอกชัดอยู่แล้วว่าไม่เฉพาะสังขารคือสังฆตาธรรมเท่านั้นแต่ทั้งสังขารและธรรมอื่นนอกจากสังขารคือทั้งสังฆตาธรรมและอสังฆตาธรรมคือทั้งสังขารและวิสังขารเป็นอนัตตา โดยเฉพาะคำภีปริวานแห่งพระวินัยปิฎกชี้ชัดสำทับลงไปทีเดียวว่านิพพานเป็นอนัตตาคือรวมอยู่ในคำว่าทมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังข้อความเป็นคาถาในบาลีว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังกตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตามินิฉัยมีอยู่ดังนี้แม้จะถือว่า ไปริวานเป็นคำมพีร์รุ่นหลังในชั้นพระไตรปิฎกด้วยกันแต่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองคือเป็นมติของพระพุทธศาสนายุคต้นต้นก่อนยุคอัทธกถาอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีข้อความกล่าวไว้อย่างนี้ผู้ศึกษาก็ควรกำหนดความหมายด้วยความระมัดระวังทั้งนี้เพราะว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ตรัสเรื่องอัตตาอนัตตาย่างทรงระมัดระวัง ดังจะเห็นได้จากลักษณะทั่วไปในการตรัสถึงเรื่องนี้ซึ่งสรุปได้สองอย่างคือข้อก่อเมื่อผู้ฟังมีพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นเพียงพอคือมีความพร้อมพระองค์จะส่งแสดงเรื่องอนัตตาโดยตรัสพร้อมไปกับสิ่งที่ถูกยึดว่าเป็นอัตตาและตัวความยึดถือที่จะต้องละเสียดังตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปเมื่อตรัสเรื่องขันห้าและอาญตนะสิบสองตามหลักไตรลักษณ์ ขอถ้าใครตั้งคำถามขึ้นมาเดี่ยวโดดลอยเพื่อต้องการคำตอบในเชิงอภิปราว่าอัตตามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าจะส่งนิ่งเสียไม่ส่งตอบดังเช่นในอานันตสูตรสั่งยุตณิกายสลายานาวัครมีเรื่องย่อว่าปริพาชกชื่อวั จ, จโคตเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอัตตามีอยู่หรือพระพุทธเจ้าทรงนิ่งเสีย วัจจะโคทูลถามต่อไปว่าอัตตาไม่มีหรือพระพุทธเจ้าก็สรงนิ่งอีกวัจจะโคจึงลุกออกไปครั้นแล้วพระอานน์นได้เข้าไปทูลถามว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงตอบคาถามของปริพาชกนั้นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าถ้าพระองค์ตอบว่าอัตตามีก็เท่ากับเข้ากับลัทธิพวกศัสตะวาทะถ้าพระองค์ตรัสตอบว่าอัตตาไม่มี ก็เท่ากับเข้ากับลัทธิพวกอุจเฉทวาฒะอันหนึ่งถ้าพระองค์ตรัสตอบว่าอัตตามีก็จะไม่เป็นการสอดคล้องกับการเกิดยานว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่ถ้าพระองค์ตรัสตอบว่าอัตตาไม่มีวัชโคตซึ่งกําลังงงหนักอยู่แล้วก็จะงงงวยยิ่งขึ้นว่าแต่ก่อนนี้อัตตาของเราคงมีแน่แต่เดี๋ยวนี้อัตตานั้นไม่มีเพื่อเข้าใจเหตุผลในเรื่องนี้ ขอย้อนกลับไปหาความที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ว่าเป็นอัตตนั้นความจริงก็คือความสำคัญหมายว่าเป็นอัตตาหรือภาพอัตตาที่ยึดถือเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาวะตัญหากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกยึดว่าเป็นอัตตาอัตตนั้นเนื่องอยู่กับสิ่งที่ถูกยึดถือแต่ก็ไม่มีอยู่ต่างหากจากภาวะตัญหาที่เป็นสาเหตุให้ยึดถือสิ่งที่ถูกยึดถือ ย่อมเป็นไปตามสภาพหรือกฎธรรมดาของมันไม่เกี่ยวกับการที่ใครจะไปยึดมันว่าเป็นอัตตาหรือไม่สิ่งที่ต้องจัดการแท้จริงคือภาวะตัญหาเมื่อละภาวะตัญหาได้ก็ละอัตตาหรือภาพอัตตาที่ยึดถือหรือหมายมั่นไว้ในใจได้ด้วยเมื่อละได้อย่างนี้แล้วปัญหาเรื่องอัตตาเป็นอันจบสิ้นไปในตัวไม่ต้องยกอัตตาหรือภาพอัตตานั้นไปใส่ให้แก่สิ่งใดอื่นอีก อัตายุติที่การทำลายความยึดถือที่มีมาเดิมเท่านั้นและเป็นไปเองพร้อมกับการละความยึดถือได้แต่ตรงข้ามถ้ายัางละภวะตันหาไม่ได้ก็ไม่มีทางแก้ปัญหาสำเร็จเมื่อถูกปฏิเสธอาจยอมรับโดยทางเหตุผลแต่ลึกซึ้งลงไปเป็นการฝืนต่อภวะตันหาจึงไม่อาจยอมรับได้เมื่อถูกปฏิเสธอย่างหนึ่งก็ต้องควานหายางอื่นมายึดต่อไป อาจออกไปในรูปอัตตาอย่างใหม่หรือประชดด้วยทฤษีที่ตรงข้ามกับอัตตาคือความไม่มีอัตตาชนิดอัตตาขาดศูนย์ในการแสดงอัตตาแบบแรกตามข้อก่อคือเมื่อผู้ฟังมีพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นเพียงพอคือมีความพร้อมพระองค์จะทรงแสดงเรื่องอนัตตาโดยตรัดพร้อมไปกับสิ่งที่ถูกยึดว่าเป็นอัตตาและตัวความยึดถือที่จะต้องละเสียดังตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไป เมื่อตรัสเรื่องขันห้าและอาจจานาสิบสองตามหลักไตรลักพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้ฟังยึดถือว่าเป็นอัตตาอยู่นั้นผิดพลาดไม่ถูกต้องอย่างไรไม่อาจยึดถือได้จริงอย่างไรเมื่อผู้ฟังมองเห็นความเข้าใจผิดของตนก็จะมองเห็นโทษของการยึดถือไปด้วยในตัวพร้อมทั้งมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการไม่ยึดถือเข้าใจความหมายของการเป็นอยู่อย่างไม่ยึดมั่นเป็นอิสระ รู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อชีวิตอย่างไรควรวางท่าทีอย่างไรต่อโลกจึงจะถูกต้องเป็นการก้าวหน้าไปอย่างมีจุดหมายไม่ทิ้งช่องว่างไว้ให้เกิดความเคว้งคว้างอ้างว้างสำหรับภวะตัญหาจะกอบปมปัญหาทางจิตวิทยาแก่ผู้ฟังเพราะในระหว่างทำความเข้าใจกันนั้นผู้ฟังจะค่อยๆถ อ, อนอั ต, ตนุนทิฏฐิบรรเทาภวะตันหาลงไปพร้อมกับที่คาถามเรื่องอัตตา ค่อยๆละลายตัวหมดไปเองวิธีแสดงหรืออธิบายแบบแรกนี้มีผลแก่ผู้ฟังต่างกันมากกับการแสดงแบบที่สองคือตามข้อขอที่ว่าถ้าใครตั้งคำถามขึ้นมาเดี๋ยวโดดลอยๆเพื่อต้องการคำตอบในเชิงอภิปรัยายว่าอัตตามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าจะส่งนิ่งเสียไม่ส่งตอบตามแบบหลังนั้นผู้ตั้งคาถามมีภวะตันหา หรือไม่ก็วิพภะตันหาซ่อนอยู่เต็มที่อาจตั้งปัญหาเพื่อสนองตันหาของตนก็ได้พร้อมกับตันหานั้นก็มีทิฏฐิเป็นเงื่อนปมผูกอยู่ด้วยคือเป็นสัจสตทิฏฐิความเห็นว่าเทียงหรืออุเฉ ท, ททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์อย่างใดอย่างหนึ่งการตอบรับหรือต่อปฏิเสธแก่คำถามเชิงอภิปราิอย่างนี้แก่ผู้มีความยึดมั่นอยู่เป็นการก่ออันตรายมากเรียกว่า เป็นคำถามที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรเขาก็จะสร้างความคิดความเข้าใจต่างๆขึ้นโดยอาศัยความเข้าใจที่เขายึดถือเป็นฐานถ้าคำตอบนี้ตรงกับข้อที่เขายึดถือก็เป็นการยืนยันรับรองทิฐิของเขาตามแนวที่เขาเองเข้าใจอยู่โดยเฉพาะถ้าไม่ตรงกันเขาก็จะแล่นไปลงข้อสรุปในทางตรงข้ามคือเป็นเที่ยงหรือเป็นขาดศูนย์อย่างใดอย่างหนึง่ง ตัวอย่างเช่นถ้าผู้ฟังโน้มไปทางสัตตติฐิเมื่อตอบรับว่าอัตตามีก็จะส่งเสริมให้เขายึดมั่นในสัตตตถิฐิแน่นแฟน้นถ้าปฏิเสธว่าอัตตาไม่มีเขาก็จะโดดไปลงข้อสรุปที่สุดทรงตรงข้ามว่าคำตอบนั้นหมายถึงขาดศูนย์คือเป็นอุเฉตทธิฐิและทิ้งให้เกิดช่องว่างทางความคิดเช่นอาจคิดนอกลูนอกทางออกไปว่าในเมื่อไม่มีอัตตาตัวตนไม่มี การฆ่าการทำลายเบียดเบียนกันก็ไม่มีผลอะไรไม่มีใครทำกรรมไม่มีใครรับผลกรรมจะทำกรรมดีไปทำไมบางคนก็อาจเกิดปมกลัวความขาดศูนกลัวว่าเราจะไม่มีต่อไปบางคนก็อาจเห็นไปว่านิพพานเป็นความขาดศูนเลยใจตกไม่อยากปฏิบัติธรรมต่อไปดังนี้เป็นต้นนับว่าเป็นภัยร้ายแรงแก่ปุถุชนรวมความก็คือ คำถามคำตอบประเภทนี้ก่อผลแก่ปุถุชนในทางที่ทำให้เกิดความคิดฟุง้งซ่านการสร้างความคิดเหตุผลไปตามแนวตัญหาและทิฏฐิของตนและต้องแล่นไปตกในทิฏฐิที่ตรงข้ามกันสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปคือถ้าไม่ลงสัตสตะทิฏฐิก็ต้องลงอุดเฉททิฏฐิซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ใช่ทั้งสัตสตทิฏฐิไม่ใช่ทั้งอุดเฉททิฏฐิบางคราว ผู้ศึกษามองความหมายของคําว่าอัตตาในแง่เป็นเนื้อแท้หรือแก่นแท้ของสิ่งทั้งหลายทั่วๆไปคือมองในขอบเขตกว้างกวางออกไปกว่าอัตตาที่มนุษย์ยึดถืออยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีอยู่คงอยู่เที่ยงถาวรของชีวิตมนุษย์เองความจริงแม้ในความหมายแง่นี้หลักทั่วไปก็อย่างเดียวกันคือเกี่ยวข้องกับความยึดถือของมนุษย์แต่ถ้าพิจารณาความต่อไปนี้อาจเข้าใจชัดยิ่งขึ้น เมื่อมีใครตั้งคำถามว่าสิ่งทั้งหลายมีหรือไม่มีถ้าตอบอย่างเคร่งครัดทั้งคำว่ามีและไม่มีถ้าใช้โดยไม่ระวังก็พลาดได้เพราะอาจจะกลายเป็นการแสดงถึงสัจสตทิฏฐิและอุเฉต ท, ทิฏฐิดังกล่าวแลลงข้างต้นถ้าจะตอบก็ต้องแยกแยะให้ดีเช่นไม่ตอบผงผางเป็นคาเดียวเดียวโดดเด็ดขาดว่ามีหรือไม่มีแต่ทาความเข้าใจกันก่อนว่า คำว่าสิ่งทั้งหลายที่คนทั่วไปเข้าใจและใช้พูดกันก็หมายถึงสิ่งที่เกิดมีตามเหตุปัจจัยทางพระเรียกว่าสังขารหรือสังคตาธรรมสิ่งเหล่านี้มีอยู่ชั่วคราวหรือชั่วขณะเช่นรูปธรรมทั้งหลายเกิดมีขึ้นแล้วก็ดับหายไปเกิดดับเกิดดับมีอยู่อย่างมีเงื่อนไขคืออาศัยกันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเป็นปฏิจจสมุป ป, ปนธรรม ทำนองเป็นกระแสะเป็นกระบวนดังนั้นแทนที่จะใช้คำตอบว่ามีหรือไม่มีท่านจะพูดโยงไปหากระบวนธารมหรือพูดถึงกระบวนการำแทนคือไม่พูดถึงสิ่งนั้นเดี่ยวโดดแต่พูดถึงกระบวนการที่สิ่งนั้นปรากฏขึ้นคำตอบเหล่านี้มุ่งเพื่อปฏิเสธภาพของสิ่งทั้งหลายที่คนเรายึดถือเอาไวผ้ผิดๆแม้คาว่าอนัตตาก็มุ่งเพื่อปฏิเสธภาพอัตตา ซึ่งตันหาและทิฏฐิได้สร้างขึ้นมายึดถือไว้ผิ ด, ผดเมื่อถอนความยึดถือนั้นแล้วตัวอัตตาหรือภาพอัตตาก็หมดไปเองแต่ถ้ามาเข้าใจอนัตตาว่าไม่มีอัตตาในความหมายอย่างที่ปุทชชนเข้าใจก็เป็นอันกระโดดไปเข้าเ ข, าเขตอุเฉต ท, ทิฏฐิซึ่งเป็นความเห็นผิดไปอีกในสุตตานิบาตมีข้อความหลายแห่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงภาวะของผู้หลุดพ้นและว่าไม่มีทั้งอัตตัง ทั้งนิรัตังหรือไม่มีทั้งอัตตาทั้งนิรัตตาแปลว่าไม่มีทั้งอัตตาทั้งไม่มีอัตตาคือไม่มีภาวะตัณหาที่จะแสวงหาอัตตาและไม่มีภาวะทิฏฐิที่จะยึดมั่นในเรื่องอัตตาให้เกิดเป็นอัตตทิฏฐิหรืออุเฉตทิฏฐิขึ้นอีกนัยยะหนึ่งอธิบายว่าไม่มีทั้งมีอัตตาอยู่ทั้งหมดอัตตาไป คือเดิมเคยยึดว่ามีอัตตายึดว่านั่นนี่เป็นอัตตาแล้วมาเข้าใจใหม่ว่าอัตตาไม่มีเลยกลายเป็นอัตตาหมดไปหรืออัตตาหายไปคัมภี์วิสุทธิมัคกล่าวความไว้หน้าฟังว่าผู้ทำกรรมก็ไม่มีผู้เสวยผลก็ไม่มีผู้สร้างสังสารวัฏไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าหรือพระพรมหามีไม่มีแต่ทำล้นล้วนย่อมเป็นไป เพราะปัจจัยคือเหตุประกอบกันเข้ารับกับที่กล่าวในอัตถกาวิพังว่าเมื่อหาตัวสัตว์ไม่ได้ก็ย่อมไม่มีทั้งความเที่ยงทั้งความขาดศูนย์ที่บางครั้งพูดกันว่าอัตตาขยายใหญ่โตนักทำลายอัตตากันซิบ้างนี่พึงทราบว่าเป็นเพียงสำนวนพูดมีความหมายว่าความถือมั่นในอัตตานั้นเพิ่มขยายแน่นหนานักควรทาลายความถือมั่นนั้นเสีย สิ่งที่ต้องทำลายคือความถือมั่นในอัตตาไม่ใช่ทำลายอัตตาเพราะไม่มีอัตตาที่จะต้องทำลายการคิดทำลายอัตตาเป็นเรื่องเกี่ยวด้วยอุเฉต ท, ทิฏฐิเพราะอัตตาเป็นเพียงภาพที่ภาวะตันหาขับดันให้สร้างขึ้นซ้อนไว้กับสิ่งอื่นๆที่มีอยู่แล้วตามธรรมดาของมันอัตตานั้นจึงไม่มีอยู่ต่างหากและจึงไม่มีอยู่จริงอันหนึ่งคำว่าอัตวาทุปาทาน ก็บ่งชัดอยู่แล้วว่ายึดมั่นอยู่เพียงแค่วาทะว่าอัตตาหรือแค่คำว่าอัตตาเพราะไม่มีอัตตาจริงที่จะยึดได้รวมความอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นนักปฏิบัติแม้จะตรัสแสดงสัจธรรมก็ต้องเกี่ยวโยงถึงจริยธรรมเสมอคือมุ่งผลดีที่จะเกิดแก่ชีวิตของผู้ที่ทรงแนะนาสั่งสอนทรงสั่งสอนให้เขานาไปใช้ประโยชน์ได้การแสดงอนัตตาแบบแรก คือเมื่อผู้ฟังมีพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นเพียงพอคือมีความพร้อมพระองค์จะทรงแสดงเรื่องอนัตตาโดยตรัสพร้อมไปกับสิ่งที่ถูกยึดว่าเป็นอัตตาและตัวความยึดถือที่จะต้องละเสียการแสดงอนัตตาแบบนี้มีจุดหมายชัดเจนว่าเพื่อปลดปลื้มผู้รับคำสอนให้พ้นจากความถือผิดเห็นผิดที่เป็นโทษแก่ชีวิตของเขาให้เขาสามารถอยู่อย่างหลุดพ้นมีจิตใจเป็นอิสระ มีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นส่วนการตอบเพียงเพื่อสนองความอยากรู้ตามแบบหลังที่ว่าถ้าใครตั้งคำถามขึ้นมาเดียวโดดลอยๆเพื่อต้องการคำตอบในเชิงอภิปรยายว่าอัตตามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าจะส่งนิ่งเสียไม่ส่งตอบเพราะถ้าตอบก็จะเป็นการส่งเสริมความคิดฟุ้งซ่านเพิ่มเชื้อสาหรับให้ความยึดถือที่มีอยู่แล้วใช้สร้างความเห็นขยายตัวออกไปจึงส่งนิ่ง หยุดเขาไว้แค่นั้น